ไม่นึกว่าคนแบงค์ชาติจะสนใจธรรมะเยอะอย่างนี้ภาพโพ์ที่นี่มัดูวิชาการน่ากลัวนึกว่าวันๆจะเ ง, น ง, น ง, นงนินเงๆนเงินะสนใจธรรมะไ้ก็ดีแล้วคนที่ไม่มีธรรมะนะชีวิตมันหาความมั่นคงแน่นอนอะไรไม่ได้เลยความทุกข์มันบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาพวกเราชาวพุทธมีบุญมีวาสนา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 ก่อนที่จะทำไงไม่ทุกข์ก็ต้องรู้ก่อนทุกข์มันมาได้ยังไงรู้เหตุรู้ผลองมันไม่ใช่อยู่ๆก็ไปออดบอนใส่บาดมอไปทาบุญนน้นี้เราอธิษฐานขอให้ได้มกผลนิพพานมกผลนิพพานไม่เกิดกับคนที้ขอหรอกต้องทำเหตุให้ถูกต้องผลมันถึงจะมีเพราเหตุที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ทางใจได้ก็คือการเรียนรู้มันเรียนรู้ลงมาที่ใจเราเลยดูลงไปว่า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 เราได้ยินคําว่าสติสตินะอย่างนั่งรถมากรุงเทพหลวงพ่อก็เห็นมีคัดเอาขอให้คนไทยมีสติมีสามาคัคคีแสดงว่าสติก็ไม่มีสามัคคีก็ไม่มีต้องเรียกร้องเราเอาคําว่าสติมาใช้แต่เราไม่รู้หรอกว่าสติเป็นยังไงน่แต่บวชใหม่ๆนะหลวงพ่อพูดเรื่อยๆให้ยมที่ไปหาตอนนั้นอยู่เมืองการ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 มันไม่ใช่สติตื้นๆแบบนั้นสติในทางศาสนาพุทธตัวสติที่สําคัญนะคือสติที่รู้ทันตัวเองสติคือความระลึกได้ระลึกได้ถึงความมีอยู่ของร่างกายระลึกได้ถึงความมีอยู่ของจิตใจอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าสติตัวจริงลําพังสติอย่างโลกโลกก็สติอย่างโลกโลกก็นาไปสู่โลกเวียนไว่ายไปในความทุกข์ก็แค่นั้นเอง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 ไม่ใช่จิตดูอย่างเดียวแล้วก็คงที่ดูได้อย่างเดียวฟังได้อย่างเดียวคิดได้อย่างเดียวในความเป็นจริงแล้วมันหมุนตะิ้วติติอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวดูเดี๋ยวฟังเดี๋ยวคิดเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสังเกตไหมตอนหลวงพ่อเจตนาหยุดพูดสังเกตไหมใช้แอบไปคิดส่วนใหญ่ยคิดคิดคิดคิดไปนะสังเกตไหมตอนนี้ส่วนใหญ่ใจนิ่ง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 อันนี้พราะอะไรเพราะลิ้นกระทบรสที่ไม่อร่อยแล้วใจมีความสุขหรือเปล่าไมใ่ใช่ไหมเพราะใจเราคิดต่างหากต่มันคิดขึ้นมานั่งอยู่ดีๆนัคคนนนคนนะ่คิดถึงคนนี้ขึ้นมาใจก็มีความสุขนั่งอยู่นะคิดถึงคนนี้ขึ้นมาใจก็มีความทุกข์ใจเราคิดขึ้นมาใจก็เปลี่ยนสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรากระทบอารมณสกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายกระทบความคิดนึกปรุงแต่งทางใจนี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 ตอนนั้นอยู่เมืองกาลมีเด็กผู้หญิงคนนึงไปเรียนหลวงพ่อก็ถามบอกว่าพวกเราคนไหนเคยมีความทุกข์มากๆทุกนานนเนนี่ยเด็กผู้หญิงคนนี้บอกว่าหนูทุกข์มากเลยถามอะไรไปทําอะไรไปทุกข์อ่ะอ ก, อ, กอกหักพี่เลยว่าอกหักนะมันก็ทุกปีสองปีใช่ไหมตามมาตรฐานเออแต่แล้วมันก็หายหลยมันไม่ทุกตลอดชาติหรอกะหลวงพ่อก็แย่บอกว่าไอ้ช่วงที่อกหักที่ทุกข์มากมากเนี่ย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 หลวงพ่เลยถามว่าช่วงีตอนที่วิ่งหาห้องน้ําอ่ะในเวลาภาวะฉุกเฉินที่รัฐบาลไม่ได้ประกาศอ่นะะมีภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้นขนาดนั้นอกหักไหมขนาดนั้นไม่ได้อกหักเลยลืมมันไปเลยนะไอ้คนที่หักอกเราอนะรู้แต่ว่าสุขขาอยู่หนใดพนะอเข้าห้องน้ําได้นะปลดทุกข์ปลดร้อนนะก็เริ่มคิดใหม่ืมเ um, มืองหักอกกูนะ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 ในความทุกข์มันจะหายไปเยอะเลยนะอะไรๆผ่านมามยอมรับได้ทั้งนั้นนะทุกอย่างในชีวิตนี้ชั่วคราวทั้งนั้นเลยอนะครึ่งชั่วโมงพอดีตามโคตนะ้ต้าสามสิบห้านาทีต่อไปนี้เชิญถามได้ข่าวว่ามีสิบสี่เกิเชิญค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อปราโมทค่ะแม่น่าจะเรียกให้เต็มยศเลยไม่เรียกหลวงพ่อปราโมทปราโมทโช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 นี้เราทำยังไงเราก็ฝึกสติให้เร็วขึ้นเรื่อยๆในสุดเราก็สติเราเร็วทันจิตเคลื่อนไหวสติรู้ทันจิตเคลื่อนไหวสติรู้ทันไม่ใช่แกล้งทำอะไรให้ช้าๆไม่หน่วงอารมณ์ให้ช้าลงนะหลายคนทำกรรมฐา น, านแล้วชอบหน่วงอารมณ์ให้ช้าลงเพื่อจะให้สติมันช้าตลอดชาติองนั้นใช้ไม่ได้เราค่อยๆสังเกตด ใ, ใจเราไหลว๊บแวบแว๊บแวบตลอดเวลาฝึกสติให้เร็วขึ้นเรื่อยๆอย่างเนี้ยไหลไปคิดละรู้สึกไหมตอนที่หลงไปคิดนั่นลืมตัวเอง อ่ะไปคนต่อไปเดี๋ยวไม่ได้สิบสี่คนในเวา 3, <5 S 2> ลาสามนาทีครับเอ่อคือผมปฏิบัติโดยการฟังสดีหลงพ่อมาประมาณเก้าเดือนแล้วนะครับแล้วก็มีการทำสมถันในรูปแบบเพื่อเสริมสมาธิเนี่ยอยู่เรื่อยก็ขออนุญาตขอโอกาสสรุปผลการปฏิบัติให้หลวงพ่อฟังนะครับเอายอ่อๆนะครับก็ในช่วงสามสีเดือนแรกๆเนี่ยจากที่เคยก่อนหน้าเนี่ยเห็นแค่โทรศแรงๆเช่นความตกใจ พอกระทบหูปุ๊บมันมีความตกใจขึ้นมันก็ดับไปแต่ว่าพอมาฟังหลวงพ่อเดี๋ยวไม่ทันครับที่ฝึกอยู่เนี่ยใช้ได้แล้วนะคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยๆใจของเราเริ่มตื่นขึ้นมายังเห็นไหมกิเลสผ่านมาผ่านไปเราเห็นได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นครับนี่นแหละตามรูปไปข อ, อนุญาตรายงานสภาวะหลวงพ่อสองสภาวะครับเคยเห็นอย่างละครั้งอืก็เมื่อเดือนมีนาเนี่ยระหว่างที่ยืนพิจารณากายอยู่ครับพอมาถึงที่บริเวณกลางอก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 แล้วก็เห็นแต่ยิบยิบเยาเยาเกิดขึ้นไปไปมามาแล้วก็ตอนนั้นไม่ทราบ ว, ว่าเป็นอะไรเพราะเพิ่งเคยเกิดครั้งแรกครับ<ม>ก็มีเสียงหลงพ่อขึ้นมาชัดเจนบอกว่าสังขารุเ ป, ปกขายยาน<ม>แล้วก็ผมก็ยังไม่ทราบความหมายอยู่ดี<ม>แล้วก็สภาก็มีเสียงบอกว่ามีแต่สภาวะธรรมเกิดดับล้วนลวนั่ น, นแหละล้วนล้ครับตอนนั้นไม่มีร่างกายมีแต่หัวใจแล้วก็เ<ม>ตนน้นเต้นอยู่แล้วก็มีท้องพองฟองยุบ<ม>คนรอบข้างก็หายไปหมดมีเสียงกระทบมันก็ยิบยิบเกิดดับไปเรื่อยๆดูเกิดดับไปหน้าไม่มีเราหรอก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 เราอยากทราว่าสมาถนในรูปแบบที่เหมาะกับจิตผมนี่ควรจะทำยังไงดีเราทำสิที่ว่าทำพองยุบใช้อะไรของคุณใช้อะไร้องยุบครับมาทำไปทำให้ดูลืมหลวงพ่อก่อนแล้วทำสมาถะไปรู้สึกไหมเราส่งจิตไปดูังเกตฑไหมจิตมัวลงมันซึมซึมลงค่ซึมล ง, ลงจิตมีโมหะนะนันสมาธิที่ฝึกอยู่นี่เรียกว่าโมหะสมาธิเป็นสมาธิที่ไม่ดี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 ระวงังนะเป็นกลางมีหลายกลางกลางเพราะปัญญาเห็นสภาวะเกิดดับจนชินแนละ้วทุกอย่างชั่วคราวเป็นกลางอันนี้สังขารู้เบกขาอันนึงเป็นกลางเพราะประคองจิตให้นิ่งอันนี้เป็นกลางด้วยสมถะนะงั้น เ, เราอย่าประคองใจให้นิ่งเอาคุณนิ่งไปนิดนึงคุณรู้สึกไหมมันมีตัวหนึ่งที่นิ่งรู้สึกครับเออต้องเลิกซะตัวเนี้ยตายสงส่จะได้สองคนละมัง่งกลับขอบคุณครับ ครับมสมการหลวงพ่อครับของคุณคคที่ส่งไปเมืกี้นะใจมันก็ตื่นแล้วนะเมื่อจิตมันตื่นแล้วก็อย่าไปน้อมให้มันมีโมหะขึ้นมาแค่รู้สึกไปเรื่อยตามรู้ความเปลี่ยนแปลคุณรู้สึกไห้ตัวที่แข็งแข็งเมื่อกี้นะี่ลดลงไปนึกออกไหมมันหายไปเอยเาไปประคองตัวนั้นไว้ปล่อยมันไปแล้วอยู่ในธรรมชาติเนี่ยปฏิบัติถูกแล้วเอาต่อไปครับคือผมได้ฟังซีดีมาประมาณ3าสเดือนแล้วก็พยายามปฏิบัติดูจิตนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ย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 รู้สึกไหม<ะ>มันไม่ค่อยมีแรงจริตใช่ครับคือจะจะฟุงจะเผลอจะลงเออนะอมันไม่มีแรงนั่นทําในรูปแบบช่วยมันนิดหนึง่งครับอะไปต่อไปคนที่ส่งที่สองอะเวลารู้สภาวะนะกระโดดโลงไปรู้นะสลําลงไปรู้ทุกทีเลยให้รู้ทันอ่ะนีน่มันเป็นาการที่หลวงพ่ออ่าที่ผ่านมาได้ลองดูดูกายแล้วก็ดูใจสลับไปอะครับไม่ทราบว่า เหมาะกับผมหรือเปล่าครับเหมาะน้าแต่ต้องขยันกว่านี้ดูบ่อยๆนะดูแลเว้นเว้นแล้วที่ประคองไปหรือเปล่าครับตอนนี้มีนิดหน่อยพรากลัวหลวงพ่อครับเราต้องทำสมถะเพิ่มเติมไหมครับอา จ, จเจริญสติให้เยอะๆนะสมถาน่ะไม่ยากหรอกรแต่ว่าจะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนี่ยากๆสมถาน่ะแค่ถล่มลงไปเพ่งใจแนบแนบนิ่งๆอยู่ก็เป็นละ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 ไม่แผ่ส่วนกูสนไปค่ะแผ่ส่วนบนแผ่ส่วนกูศนเนืองเนืองค่ะค่ะจับ <สา S 2> ไปนี่นแหละสี่คนที่ส่งกันบ้านแล้วหลงหมดเลยค่ะกล่าวนมัธการหลวงพ่อคะ่ะเอ่อตั้งแต่หลวงพ่อบอกให้เริ่มถามคําถามได้ก็ตื่นเต้นแล้วนะคะแล้วหลังจากที่ไมค์มาใกล้เรื่อยๆมันเหมือนหัวใจมันออกมาเต้นอยู่ข้างนอกแล้วนะคะตอนนี้เราเป็นแค่คนดูนะ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 จิตขอคนที่ติดสมถะติดเพ่งนะั้นมันนิ่งไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมันไม่แสดงใจรักให้ดูนั้นขอบคุณนี่สบายอย่างหนึ่งไม่ได้ติดเพ่งมีแต่ฟุ้งซ่านดูออกไหมอ่ะมันฟ<ช>ุ้งไปเราคอยรู้ฟุ้งไปเราคอยรู้เอาค่ะถ้าอย่างนั้นอยากจะข อ, อการบ้านจากหลวงพ่อหาพี่<า>จ <ะ S 1> ินะมมเพื่อความสุขของลูกเรา <laughs> อ้าวตอบไปกาขอบพระคุณค่ะ กับนวัตกรรมหลวงพ่อค่ะก็เพิ่งฟังซีดีหลวงพ่อได้ประมาณเดือนเดือนนึงอะคะ่ะก็ในชีวิตประจำวันก็พยายามรู้รู้ทันจิตแล้วก็มีปฏิบัติ<ด>ตามร<า>ูปดูบ่อยๆน ะ, ะดู บ, บ่อยๆที่ฝึกอยู่เนี่ยมันเริ่มต้นได้ดีแล้วก็แต่ว่าตอนที่ปฏิบัติตามาตามรูปแบบอะคะ่ะแต่ยังไม่สมบุเสมอก็จะเข้าสมถะเกาะแล้วก็ได้ทาสมรถารู้ว่าทำสมถะใช้ได้นะ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 คะแนนโลบมากไปเตรียมไปเป็นเปรดได้ถ้าคะแนนทิฐิมานะมากกูเก่งกูเก่งเจ้าความคิดเจ้าความเห็นมากนะเป็นอสุรกายถ้าใจลอยแล้วก็ขึน้นตึงแต้มใจลอยแล้วก็หนึ่งแต้มไปเรื่อยๆนะเป็นสัตว์เดรัจฉานลองไปเล่นดูนะแต่เกมนี้ห้ามเล่นในฤดูหนาวเพราะมันจะหนาวสุดจีดเลยไปลองดูนะ <ขอ S 1> การ <ขอ S 1> ที่ <ขอ S 1> <น>เราคอยติ๊กเนี่ยเป็นการซ้อมดูจิตนั่นเอง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 ดูความคิดหนึ่งอยู่นานมากอะพยายามกระดุกกระดิกไว้หางานบ้านทาจะทางานบ้านเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆมันจะไม่จมไปอยู่กับอารมณ์ันเดียวนานๆคเคลื่อนไหวไว้ค่ะค่ะต่อไปกับนิมัสการหลวงพ่อคะ่ะลูกก็ฟังซีดีของหลวงพ่อได้เก้าเดือนแล้วก็เริ่มหัดปฏิบัติ้นะคะสิ่งที่ทำอยู่ก็คือตามรู้กายรู้ใจอะคะ่ะแต่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 กล่าวนำสการหลวงพ่อครับผมยังรู้ตัวรู้ใจไม่เป็นนะครับคือพยาพยามที่จะฝึกสมถะมันก็จะเผลอเผอครับเมื่อมือบางทีก็ฟุง้งฟุงสั้นๆไปเพราะตั้งใจจะฝึกวิปัสสนาก็กลายเป็นเพ่งอพออเราไม่ตั้งใจบ้าง ส, <ๆ S 1> สิเราไม่ตั้งใจนะเพื่อนเดินเดินไปเห็นสาวสวยครักายมันชอบขึ้นมาอย่างเงี้ยรับรู้ทันครับกระทบอารมณ์ไปแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงไปของคุณถ้าเริ่มต้นด้วยความจงใจมันจะไปเพ่งเอครับ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 เออได้ฟังซีดีแล้วก็ได้อ่านหนังสือของพ่อมาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็ปฏิบัติในรูปแบบบ้างบางครั้งจะกลับเรียนหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติมาเนี่ยถูกทางมั้ยคะถูกสิดีกว่าไม่ปฏิบัติ <c oughs> ดูไปเรื่อยๆนะมีข้อเมตตาแนะนำสังเกตไหมใจเราแต่ละวันไม่เหมือนกันค่ะ <c oughs> อย่างตอนเนี้เรามีความสุขรู้สึกไหมค่ะเรามีความสุขเราก็รู้ไปคสัง <c oughs> เกตไหมความสุขเริ่มหดลงไปล้วค่ะ <c oughs> ดูออกไหมค่ะ <c oughs>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 ตอนนี้จิตเราจําได้แต่สภาวะที่หยาบสภาวะที่ละเอียดจิตยังไม่เข้าใจเราหัดรู้หัดดูต่อไปจิตก็เข้าใจขึ้นมาสติก็เกิดบ่อยขึ้นมาครับขอเขา<อ><อ>คุณ อ, อยากให้นิ่งนะครับเอเคยอ่านประวัติตของลูก ป, ปู่ดูที่ท่านตอบพระราชพุชขาของในหลวงอืว่ากิเลสทั้งหมดเกิดขึ้นที่ใจอืให้เพ่งดูที่อันั้นเป็นสัมนวนนะอ๋อปนนเป็นสัมนวนเป็นสัมนวน จริงๆก็คืออะไรเกิดขึ้นมาที่ใจให้รู้ทันครับเวลารู้ไม่ให้ถลำลงไปรู้คนไทยใช้คําว่าเพ่งเนี่ยมักจะให้อารมณ์ความรู้สึกว่าต้องถลำลงไปจ้องจริงๆก็คือให้รู้เอาในสติปัฏฐานกอยอ่านไม่ว่ามีแต่คําว่ารู้นะหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ใช่ไหมยืนเดินนั่งนอนก็รู้สุขทุกข์เฉยๆก็รู้โลภก็รู้ไม่โลภก็รู้เบิเ้มีคำเดียวคือรู้ครับ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 ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเจตุปัจัยไตรยธรรมและสิ่งของอันเป็นบญจวารณทั้งหลายเหล่านี้แด่พระคุณท่านหลวงพ่อปาโมช์ปามโมโชขอหลวงพ่อได้โปรดรับเจตุปัจจัยไตรยธรรม และสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์นชนแก่ข้าพเจ้าทั้งหลา ย, แ ล, ายและแกะ่ครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งหลายด้ว ย, อยตอบสิ้นกาลนานเทินยะถาวาริวะาปุราปริปุเรนตีสาขังเอวเมวายโดตดินังเปตานางุปะปะติ อิชิตังปะติตังทุมหังคิปเมวาสมิจฉะตุสัพเพปูรเรนตูสังกป่าจันโทปนาะโสยัฐามนีโชติราสโสยัฐาสัพพีติโยวิปชันตุสัพพารโอโววินาสตุมาเตภวัตวันตระโยสุขีที่คาโยโกภภวะอาภิวาธานาสีลิสนิตจังอุทธาปจายิโนจัตตารูธรรมาวัทันติอายุวันโนสุขัง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 อาศัยการทำผิดๆไปเรื่อยๆนี่แหละละราก็ใจก็ค่อยฉลาดขึ้นมาเรารู้ทันขึ้นมาวันหนึ่งก็พ้นแปเดี๋ยหลงพ่อรักก่อนนะรักก่อนหน้าพี่สวรสิทธิ์สวรสิทธิ์สุนทรเก็ น, นี่รู้จักกับหลงพ่อตั้งแต่ปีหนึ่งสี่นะพวกเราหลายคนจะไม่เกิดเลยมีโอ้โหด้วย